แท ร, รมเทศนาของพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมปนแสดงนวัตตาบรรตาบเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมพศ2556แสดงในคืนนี้สาขาบูชาโปรดคณะหมออวยและหน่วยแพลย์เคลื่อนที่แห่งศิริราชพยาบาลเทพม้นนี่รวม3กันกันต่อไปนี้เป็นการที่สาม วะ k t u arahato s ส m a s a ส p u t a s ิโฌมณิสปติล า, าเพอสูวันนี้เป็นวันีิสาบูชาเทิงกับวันพระพุทธเจ้าพืสู ตรัรู้ะปริตบขันปริญิาานทั้งสามการตรงกับวั น, นคำประดุจนาราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติึ่งพระกายของพระองค์ อุบัติเติมระกายขึ้นมาแล้วันดับที่สองก็อุบัติแหความเติมพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แต่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตระจรู้ทำ ม, มาัจฉันเบสิกหมดตดอย่างยิ่งกายที่เติน เจ้าคลองวัตตะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมนเย็นเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลําบากไม่มีทิ่สุดไม่มีจอมากก็เลยมาตัดถึงกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยิ่งยางของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดต้นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันทึงเรียกว่าตรัสรู้ แต่การนุษยานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมค์คือที่โลกนุษยธรรมก็เรียกว่าธาตุธาตสีธาตุบุญธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาสมกันเท่าส่วนั้งแข็งที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุบุญส่วนที่ร้อยเหลอะก็เรียกว่าธาตุน้ำ ลมหายใจเป็นต้นเรียว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปพาโลกเราเรียกว่าตายแต่พระสัพ์ของพระพุทธเจ้าที่เป็น บริสทธิในพระไทยเรียกว่ามุธพานคำมนมุธพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจได้นามว่ามุธพานหมายถึงดับสนิทดับ จากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อจะไหลลงไปแล้วส่วนดินน้ํำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปในธาตุเดิมทังหมดธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจิดตายเียดผสมกันเข้าเป็นรูปกางเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นศัตเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามตปกติของโลกโลทั่วไปจะไม่ปราปจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แน่จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อก ร, รมดีกรรมซั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อม จะ ต, ต้องเป็นไปตามอำนาจของธรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุรุกส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนักไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้รัสรู้ธรรมะซึ่นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้อง ไม่ว่าสมมุติส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระไตรนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่แตกสรุธรรมแล้วสงฆ์ประกาศ พ, พระศาสนาได้สี่สิบห้าพระพรรษาคนที่มีอุ ป, ปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตุ้นหนักเบาจากกรพพุติจากและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้ว ก็ได้ตรัสรู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทันทพื่อนี้คือเรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจํานวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทันจากนั้นก็ตามสเสด็จไปเรื่อยๆดูเด็จพระโสดาติธาพระ น, นาคาคาเสด็จเดิเดนตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัญญาณปุตติผลของเราอุตส่าห์รประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถี่ต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของลนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเระเดชพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปฏริพัตนได้ตรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่า เวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตยอยู่ในสถานทีนท่นั่งทิณอย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เส้นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะเสรู้แล้วถึงวันมิผ่านนี้ส่วนระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่ เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปสู่ที่นั่นที่นั่นยึดถือเอาพระกายของตัวเองเป็นนิมิต ส, ส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะจะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ความแห่งความบริสุทธิ์นี่เลย เบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านๆมีธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเราเนี่ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในใจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอง่นท่าเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย เข้าโศกให้เพิดให้เคิ่มให้ย่เหลงต่างๆที่เกิดจากความกระติปในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามทิงที่คอยกระติบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสะวะเป็นเพื่อนดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน พอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวห้องหรือยืดใหญ่ในความเกิดแกเจ็บตายอีกต่อไปเยสกกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สับโลกเราเรียกว่าตายถ้าพระพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายถงเรียกว่าปริ้ยนิพพานคือดับจริงๆ ไม่ดับแบบหลอกหลอกร้อนร้อนเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คาว่าหลักดับแบบหลอกหลอกร้อนร้อนนั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตุนร่องตุนรอยตุนการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปึ้นมาฉะนั้นพันธุ์ที่เรียกว่าความหลง สิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจําวัฏต์ทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันเท่านั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจําไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในวนน mm hmm. ันท่านจะนิยกมพระนิจฉา ความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงหลืดท่านจึงเรียกว่าอวิชาลุโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนมีผิด ก, กันกับพระพุทธเจา้าแต่ก่อนเทโองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงนี้เท่านั้น ถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียง ด, ดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะสร้งแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจัสุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ต่างสำหรับบุคคลประเภท น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้ตาต่างจากโลก ก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจานวนมากเท่าไรก็าตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมือเหมือนกันแต่มีจานวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามรามรู้ของพระโพ ธ, ธิจารรอบพระองค์ด้วยสามารถรู้ซื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกที่เคยเป็นมา ที่กับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาจักทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวขาตธรรมที่พงท่านรตรัสไว้โดยชอบด้ว ย, วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสาหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆน่าจะมีจำนวนมากกาลังก็ไม่เพียงพอ ความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศากสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้รู้วความอยากของตัวเองเป็นฆ่าติดต่อตัวเสเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรม อันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉับหรือเป็นแบบพินเป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและ ไม่ลดละจุดนั่นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังดูถึงได้โดยความตักตามความประสงค์เ น, นี่ยที่เรียกว่าสุบขาตาธรรมคำสั่งสอนของพระพธธรรุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุบขาโตพระขวาวตาธรรมดังเราชาวพุทธดูวสวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระพูมีพระภาคกลัดไม่ชอบแล้ว คำว่าชอบก็หมายถึงว่าทูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่ประวัติศาสตร์ทั้งสัพพยัญชนงังเทวละปริปุนังปริยุทธังพรหมจารยงังประกาศเสสินี่เราทั้งหาก็เคยจดโพลประกาศชมมาจรรันคือทําอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ําส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิ และไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมนาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยชนอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมุติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะปลอมเสียถึงยิบยี่สิบเปอเซ็นก็ได้จริงเพียงแปดสิบเปอเซ็นเท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชน นำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะ ต, ต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นทุนอวสารแต่หลักธรรมะทําสต่า อ, อนของพระพุทธเจาแม้จะมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันรวนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวข้อต่างจะแยกออกจาก ทำหมดใดบทใ ด, าดนาทุจริตนาว่าทำบทนั้นหมดนั้ น, น, นในจํานวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกซ่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวาขาตรดทำคือจัดไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะั้ฉะนั้นทธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้สองพันห้าร้อยชิดเอิตูนี้แล้วนับแต่วัน พระองค์ท่านมิพ่านมาและยังจะคงที่รุกคงเส้นคงวาไปอีกคงคําว่าสุขคาตธรรมไปอีกคือตรัดไู้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบตัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั่นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นําออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลก็โลกจะได้ชมและได้บูชาแต่ว่าธรรม ทำของ พ, พระพุทธเจ้าสูญหายไปก็สดเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เียที่เรียกว่าสวัสดโตพระวตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนปลายเหมือนพระพุทธไตราฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไกลพพไกลโลกธานุ เทวดาอินรมยมยักได้กล่าวว่าเพราะไม่มีใครจะสู้ความแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้า น, นิยานิโกหรือนิยานิกรรมเมื่อผู้ประพฤตปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเ่วงกังวลดุ่งเดิอที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนอยากจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสาเด็จ มรรคผลนี้ผานทางทุกเนี่ยทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนชลาดไม่ใช่สอนเพื่อความความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกรอบโคลทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกสอนแก้ความโง่เขาบาปปัญญาของตนทนั้งหลานเพราะฉะนั้นธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ ปรากฏว่าเต็มค่าสุดต่อโลกตั้งแต่การไหนไนมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมนี่อธิบายถึงเรื่องคัมมานุภานของพระพุทธาสนายลยะเลิด ม, มาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนิดได้ทรงประกาศาศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสามกทั้งหลายที่ิ มีความเชื่อเรื่อมายและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ทราบได้ปรัสสรุมขณูปนิพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเดีวบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นฐาธนาธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระ อ, องค์เองครอเป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่ามิผานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิผานตรงกับวันวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันเดียว ันรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไ ท, ไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรุกถึงถึงงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทประสาทให้แก่โลกและกราบว่า้บูชาความศักดิ์สิทธิ์ที่เสษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานแต่แล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นในเหตเป็นเช่นในคงดั่งเดิมไวเช่นนั้น ไม่ทรงมื้อถอนไปตามพระโพธเจักรศาสนายังคงที่ดูอยู่คงเช่นคงว่าจัดเป็นสวขคาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทโธโปรดได้นําธรรมะคำํำสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็ญทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ําเสมอไม่โรดโผล คำว่าสม่าเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคําพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่าเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลท่านไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุมดอนดอนสูงๆต่ำต่ถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องช้าก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเหี่หลักธรรมะ คำสอนคองบุพเิศาเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นให้ว่าจะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่มุ่มสาวเพศพระเพศเมียนที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแยก่ทุกมุมมาให้เสียความหวังของผู้สนใจใค่ายต่อธรรมของพระองค์ข่าจะนำไปเริดเติปฏิบัติเพื่อผลสำนับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเที่ยเป็นเหมือนด้านมัถีแล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 ส่วนรถที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆั้นเป็นที่จะถึกดูของรถอาหารเนี่ยธรรมะเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็าตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวชเป็นฆรวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมท่างหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้ ร, รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นโดยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็น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 แต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแถนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปห า, าตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคีร์นั้นนั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตเรียกว่าตาราของธรรมธรรมจริงๆ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 ทางที่จะไปทําดีทําชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดทุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่หลังนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทําให้ดีชั่วก็คือคนจะทําให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลาบากเพื่อความสุขความสบายก็คือคนประตุ้นตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงทิ่น ไม่สอนไปที่อื่นใดเท่านั้นท่า น, นเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังทาสิทธิยกขึ้นไว้ณนเะบื้องต้นนั้นว่าคิโชบุอามนุสสะปติลาโพการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทําไมจึงกลาเป็นลาภอันประเสริฐล่าเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าศัตรูมากมาย ความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าตัดและรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วดผูท้ ท, ที่จะนามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผูม้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตุกห้างหุือร้านใ ห, ใหญ่ที่มีราคาแพงถ้าประสำภาระเครื่องจะตูกสร้างควรจะเป็นสุกเป็นห้างต้องเพียงพอ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบปัดจะเรียกว่าสุขว่าห้างว่าร้านไม่ไดั่งเขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ฉะนนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบปัดเรียกว่ากำเนิดของสัตว์ ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความเน่นหนา ม, มั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกยังไงไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมากยิ่งเรานรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจดื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นชั้นมนุษย์สามนุษย์โผมนุษยษาเตโตมนุษยษาเทวานั่นนมุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลก ก็กลายเป็นมนุษย์สาเปตัวมนุษย์าติดิชานในตัีในร่างแห่งมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแอะใจนั้นกลายเป็นสัตว์ติดิชันเป็นเปตุเป็นผีไปเุผีทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างยากประเทศนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือ่าเป็นเปตเป็นผีในร่างแห่งมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่ว กายเป็นสัตว์ดีฉานไปในร่างของมนุษย์ที่ถ้าไม่สามารถประครับประคองความน ร, ระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับผมมนุษย์ไม่ได้จะกลายลงไปเปนเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์สเทโลคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสาร รู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญภูมิต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าสินได้ถูกสินได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดกให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสินได้ถูกแล้วพยายามทําถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกดเกณย์ที่เหตุผลชี้บอกไว้รู้เป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรม รักตัวก็ชี้ว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อ ต, ตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเก้านั้นเป็นผลที่ถอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีฮิริโอตประละอายต่อมาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญร่นดินบันเทิงชั่วรมใสต่อคุณงามความดีต่อบุงต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็น เทพภายในใจไม่ร่างแห่งมนุษย์นี้แหละีิเลเื่อนขึ้นไปเป็นลำหัดถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสําเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุธทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุธทธิเทพเป็นผู้หมดตจดภายในจิตใจโดยชิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละ ร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์รู้มุตพุโทโธกระตือรือร้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี้แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สนับสนุน ม, มาแล้วอย่างไรนําไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงาม จะให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหรแล้วก็ยิ่งจะสมวนศักดิ์ศรีของตนให้มากหรือความประพฤติดีจะให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความสนาบสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่น ไปที่ไหนผมมีความยินดีชมเชยแต่เสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันชนะหมูกครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทางนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสีย ถ, ถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พอยดีไปด้วย เป็นเิลี่อมองคลแจกตัวข้ามาวันนี้แสดงธรรมะครู้สึกจ ะ, จะแสดงไปมากหน่อย <c oughs> หากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าจะรับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกทุกท่านคิอจากมาจากหน่วยต่างๆที่ที่มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็น เพราะคนที่ก้าวเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนตนกรอบจนมุมหาทางแก้แก้ไขตัวเองรู้ช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อว่าเราได้บังคับประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกําลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วย คือ่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามรรดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแผ่ใสปร้หนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยก็หายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราพูดเป็นหมอก็อกรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกาลังความสามารถของเรา การปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอืนซุ่มมองฆ่าจะมองข้ามไปไม่ได้อาจารยสายใจพออกพ่ออมอาลีเอาอกเอาใจคนไข้มีเป็นสิ่งสําคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทําใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขั้งแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตาใจคนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจ กับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วาแต่ก็เป็นสุขคุตติใสของผู้นั้นเองเนี่ ท, นท่านจี่ทุกๆท่ทานที่มาบาเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละคาังจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเราเนี่แหละ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 นี่ทันเดียวกับอกุชลาธรรมหรืออากุอลาธรรมมาหรืออากุศนกรรมหลักศาสนาสอนให้ชั่วกรรมกรรมคุณหมายถึงการกระทําคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทําทางใจพูดออกมาจากใก็เรียกว่ากรรมพอได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทําทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคไขชวนกันรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดี อย่าทําแบบปุ่มตีุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองสําเด็เจพระพุทธคามทรงเน้นนักเรื่องสองกรรมให้เลือกเป้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นดุรุ่ยามราบร่นในความประพฤติอนาคตจะแยี่มใสเพราะอนาคตตั้งไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรปับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลําดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรปับปรุงเช่นนี้ ดีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควนให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไหร่ก็ไม่มีหวังมีตามหลักธรรมท่านสองอางาน น, นั้นโปรดใน้ น, นำพาคนนำไปทนิดที่แจ่นาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแกร่วิ่ัยของตนขอโปรดใน้นำไปปฏิบัติ าการจัดสิ่งที่เป็นภัยรุ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้ากลับไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลังทุกๆทา่านด้มีความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังต่างๆธรรมะปรารถนาโดยทั่วกันคือวังความดุจประกาศรจชนี <c oughs> ยศษาศีลให้พร ยะ า, าวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินนางเตตานางอุปกปติทิชิตังปัติตังตุม้างคิปเมวสัมมิชาตุสเพปูเรนตุสังกภาจานันโธปนาระโสยะธามิโชติระโสยะ